บทที่หนึ่งอยู่กับยายเรือนปัญญาหลังใหญ่ตั้งตรงานกลางดงไม้ร่มคลึม้มพืชยืนต้นมีมะม่วงมะปรางขนุนน้อยนาและระมุด แผกิงก้านสาขาอย่างเซรีด้วยเนื้อที่กว้างขวางพอที่จะไม่ต้องแย่งกันชูลำต้นขึ้นจนสูงเสียด ฟ, ฟ้าทางด้านหลังซึ่งติดกับลำน้ำเจ้าพระยาใช้ปลูกพืชสวนครัวนานาชนิดมีตั้งแต่ฟักแฟนแตงกวาไปจนถึงตักครคยกระชายใบมะกรูดส่วนหน้าบ้านนั้น ทำเป็นแปลงปลูกดอกไม้จำพวกบานชื่นบานไม่รู้โรยกุหลาบมะลิวันมะลิซ้อนและดาวเรืองกำลังออกดอกสับรั่งด้วยเป็นฤดูเข้าพรรษาบ่ายวันนั้นท้องฟ้าโปรง่งใสแสงแดดไม่จัดจ้าอากาศเย็นสบายด้วยลมพัดพาความเย็นจากแม่น้ำเจ้าพยามาให้บนระเบียงหน้าบ้าน ยายวัยแปสกับหลานชายผมแกลไวัยสองกำลังช่วยกันเก็บกากข้าสารในกระโดงอย่างขมักขมิ่นเออนี่ไอ้หนูมารืนเนี่ยยายต้องไปอยู่วัดศรัทธาพิรมสองคืนกับสามวันเพราะที่วัดเขามีเทศมหาชาติเอ็งอยู่ดูแลบ้านช่องให้ดีนะยายเอ่ยขึ้นก่อน ครับเรื่องนั้นยายไม่ต้องห่วงมีเทศมหาชาติก็ต้องเทศคาถาพันนำก่อนใช่ไหมครับเด็กชายจเจริญถามเพราะเคยได้ฟังเทศมาตั้งแต่อายุห้าหกขวบถูกแล้วเหมือนเวลาที่ลิเกจะเล่นก็ต้องออกแขตซะก่อนนั่นแหละยายเปรียบให้หลานฟังแต่ดูลิเกสนุกว่า ฟังพระเทศนะครับยายยิ่งเวลาท่านเทศคาถาพันผมฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดโดยไม่ได้ละมือจากงานที่ทำจะรู้หรือไม่รู้ก็ต้องฟังน้่หลานพระท่านว่าผู้ใดฟังเทศครบหนึ่งพันคาถาจะได้อานิสงแรงเมื่อตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์ยายอ้างเรื่องอานิสง จะไม่บอกหลานหรอกว่ายายเองก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่เพราะยายนั่งหลับแต่เพราะท่านเทศเป็นภาษาบาลีใครเลยจะเข้าใจถ้ายายเป็นมหาป ร, รียนก็ว่าไปอย่างผมว่ายายเองก็ฟังไม่รู้เรื่อง แต่ที่ไม่พูดเพราะกลัวว่าจะต้องเสียหน้าใช่ไหมครับถึงแม่ยายไม่บอกแต่หลานชายก็รู้เท่าทันที่ฟังเพราะอยากได้บุญนั่นแหละคราวนี้คนเป็นยายพูดเสียงอ่อยแล้วเมื่อไหร่ ย, ยายจะนิมนต์พระมาเทศที่บ้านเราอีกล่ะครับเด็กชายผมแกลถามนอกจากจะไปอยู่วัดเพื่อฟังเทศแล้ว ยายยังนิมนต์พระมาเทศมหาชาติที่บ้านทุกปีปีละสองครั้งโดยนิมนต์มากราละสามรูปรูปหนึ่งเดินคถาจนจบหนึ่งพันอีกสองรูปเทศแบบปุจฉาวิสัชนาแล้วว่าแลกับว่าทานองทั้งหมดนี้ต้องเสร็จสิ้นภายในวันเดียวคงจะถัดไปอีกสองวันพระเองถามทำไมหรือ ผมจะได้เตรียมตัวช่วยยายทำขนมนะครับเพราะยายต้องทำขนมตั้งหลายอย่างทั้งขนมกงขนมสามเกลอือเข้าเมา่าทอดเข้าพองและเม็ดขนุนแล้ววันนั้นพวกป้าๆลุงๆเขาก็จะพากันมาเต็มบ้านรวมทั้งแม่ผมด้วยพูดอย่างนี้แสดงว่าเองคิดถึงเขาใช่ไหมละ่ะแม่เองน่ะ ยายถามอย่างรู้ใจทำไมจะต้องคิดถึงในเมื่อเขายังไม่คิดถึงผมคนพูดรู้สึกน้อยใจเขาคิดอยู่เสมอว่าพ่อแม่ไม่รักมิฉะนั้นคงไม่ยกเขาให้กับยายเอ็งรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่คิดถึงเองหรือว่ามีใครมาบอกยายพูดเข้าข้างลูกสาว แล้วยายรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดถึงผมหลานชายย้อนถามทำไมยายจะไม่รู้พ่อแม่ทุกคนยอมรู้จิตใจลูกไม่เช่นนั้นจะเป็นพ่อแม่เขาได้หรือแต่พ่อแม่ผมไม่รู้จิตใจลูกแล้วก็ไม่รักลูกถึงได้เสือกสายไล่ส่งให้ผมมาอยู่กับยายคนในตะบลมางว่วงหมู่เขารู้กันทั้งนั้นว่า ผมเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รักที่พี่สาวผมก้าคนเขาเลี้ยงได้แต่ผมคนเดียวเขาเลี้ยงไม่ได้ทำยังกับว่าผมน่าไม่ใช่ลูกในเมื่อไม่รักและให้ผมเกิดมาทำไมคำพูดพลั้งพูออกจากปากของเด็กชายอายุส2องโดยน้อยเนื้อต่ำใจว่าพ่อแม่ไม่รัก เอ็งอย่าพูดอย่างนั้นบาปกรรมมหันเชีวนะที่พูดถึงพ่อแม่แบบนี้นะ่ะเอาล่ะยายจะเล่าความจริงให้ฟังเอ็งจะได้เลิกเข้าใจเขาผิดผิดเสียทีแล้วยายจึงเล่าว่าพ่อกับแม่เองนะ่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เอ็งคิดสักหน่อยยายเองที่ไปขอเอ็งมาอยู่เป็นเพื่อนก็เพราะว่าเมื่อป้าป้าลุงลุงของเอง็ง เขาออกเรือนไปหมดรวมทั้งแม่เองด้วยยายก็อยู่กับตาสองคนต่อมาตาของเองก็บวชซะอีกในว่าหวังมรรคผลนิพพานยายก็อนุโมทนากับเขาด้วยเหตุนี้ยายจึงอยู่คนเดียวมาหลายปีกระทั่งแก่เท่าสังขารก็ร่วงโรยลงไปทุกวี่ทุกวัน น้ำท่าก็ตักไม่ค่อยจะไหวเลยไปเรียนปรึกษาหลวงพ่อเชื้อว่าจะไปขอลูกสาวแม่เองมาไว้ใช้สักคนหลวงพ่อเชื้อที่อยู่วัดศรัทธาพี่รงใช่ไหมครับก็มีอยู่องค์เดียวนั่นแหละไม่น่าถามไม่ถามได้หรอกครับก็เพราะหลวงพ่อเชื้อองค์นี้แหละที่ทำให้ผมถูกยายเคี่ยนจอหลังลาย สมัยที่ท่านยังไม่มรณะภาพย้ายให้ผมไปส่งเป็นโตเพลนท่านทุกวันเขานึกถึงเหตุการณ์เมื่อสามปีก่อนตอนถูกยายทำโทษหนะักใช่และเองก็เอาไปกินกับพวกเด็กเลี้ยงควายทุกวันเหมือนกันอาหารไม่เคยถึงพระถึงเจ้ากระทั่งถูกยายจับได้วันนั้นถ้าท่านไม่บังเอิญมาแวะเยี่ยมยาย ก็คงยังไม่รู้แล้วเองก็จะบาปหนามากขึ้นแต่ตอนนี้ผมหมดบาปแล้วนะครับเพราะยายตีล้างบาปให้ผมตีต่อหน้าหลวงพ่อเชื้อเสดด้วยจะรอให้ท่านกลับเสียก่อนก็ไม่ได้ล้านชายพอเอาเถอะเอาเถอะเรื่องเก่าอย่าเอามารื้ฟื้นฟังยายเล่าต่อดีกว่าแล้วคนอายุแปสิบ หักแต่ว่าความจำยังดีเยี่ยมจึงเล่าต่อว่าหวาวาลาวลงพ่อเชือ้อท่านแนะนำให้ขอเองมาอยู่ด้วยท่านว่าดูหน่วยก้านแล้วเองจะดีกว่าผู้หญิงพูดพลางเพ่งพิษหน่วยก้านตรงหน้าเด็กชายรูปร่างผอมสูงผิวสีทองแดงแขนขายาวเก้งก้างคางเหลี่ยมในตาเล็กเกลียว หากแต่ฉายแววแห่งความฉลาดแกมเจ้าเล่ห์ชนิดที่คนเก่งกาจอย่างยายยังตามไม่ค่อยจะทันยายก็เลยไปพูดกับพ่อแม่เองเขาก็ไม่เต็มใจจะยกให้รอกแต่เพราะขัดลงพ่อเชื้อไม่ได้ก็เลยต้องให้ยายจึงได้เลี้ยงเองมาตั้งแต่อายุเองได้หกขวบแต่ถ้าเองไม่เต็มใจจะอยู่กับยาย จะกลับไปอยู่กับพ่อแม่เองก็ได้คราวนี้คนที่รู้สึกน้อยใจคือยายผมยังไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อยยายคิดมากไปได้ที่ยายเล่ามาก็แปลว่า พ่อแม่เ้ารักผมเหมือนกันแต่ทำไมเ้าไม่มาเยี่ยมเยียนผมบ้างล่ะครับบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ตำบลเดียวกันแท้ๆเด็กผมแกละยังครางแครงใจจะเอาเวลาที่ไหนมาล่ะลูกเต่าย้่วเย้ยอย่างกับฝูงแย้แต่ละคนสซนอย่างกะลิงแค่รบกับลูกเก้าคนก็หมดวันแล้ว เกิดมาข้าก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงอะไรสนซะยิ่งกว่าเด็กผู้ชายหรือเอ็งว่าไม่จริงจริงครับแม้ยายน่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเสีตั้งนานแล้วผมจะได้ไม่ถือโทษโกรธเคืองพ่อกับแม่เพียงแต่รู้ว่าเขารักผมก็หายโกรธหายน้อยใจส่วนเรื่องจะกลับไปอยู่บ้านผมไม่เคยคิด อยู่กับยายสบายกว่าเป็นไหนๆถึงจะถูกยายบ่นว่าเคี่ยนตีก็ยังดีกว่ากลับไปรบกับฝูงแย้แต่สนเหมือนฝูงลิงจริงไหมครับเขาพูดครองจองโดยไม่ได้ตั้งใจที่ยายบ่นว่าเคี่ยนตีก็เพราะรักเองหรอกนะยายชี้แจงรักแบบนี้ไม่ไหว บางวันยายตีผมสามเวลาหลังอาหารเลยนะครับไม่ตีก่อนอาหารด้วยกบุญแล้วหรือเองอยากจะให้ทำแบบนั้นยายไม่กัดข้องหรอกนะคนอายุ8ปสิท้าทายไม่หรอกครับขอบคุณผมยังไม่อยากเป็นที่รักของยายมากมายถึงปานนั้นแต่เอยายครับในเมื่อยายรักผมแล้ว ทำไมต้องตีด้วยล่ะครับถามอย่างกังขาโบราณสอนเอาไว้ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตียายจึงต้องปฏิบัติอย่างที่โบราณท่านสอนแต่ผมไม่ได้เป็นทั้งวัวทั้งลูกของยายนี่นาะยายไม่น่าทำกับผมอย่างนั้นทั้งตีทั้งผูกหลานชายต่อว่า นอกจากถูกเคี่ยนตีแล้วเขายังถูกยายผูกขาล่ามไว้กับเสาปีละสองครั้งเพราะเวลามีเทศมหาชาติที่บ้านยายจะบังคับให้เขาฟังโดยการผูกขาไว้กับเสาเรือนเขาไม่ชอบฟังเทโด้วยว่าเป็นเด็กฟังไม่รู้เรื่องแต่ยายอยากให้หลานได้บุญจึงต้องลงทุนผูกขาเอาไว้เหตุผลของยายคือ ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะหนีไปวิ่งเล่นถึงเอ็งจะเป็นหลานแต่ยายก็รักเหมือนลูกทุกวันนี้ก็คิดว่าเอ็งเป็นลูกคนหนึ่งของยายและยายไม่อาจจะบ้านเขาหรอกครับคนเป็นหลานตั้งใจยัว่วอายเรื่องอะไรล่ะยายสงสัยเรื่องที่ยายมีลูกตอนแก่น่ะสิอายทำไม เพราะยายไม่ได้ทําผิดยายจะอายคนอื่นก็ต่อเมื่อยายทําความชั่วเองจำเอาไว้นะไอ้หนูพระท่านสอนว่าคนดีนั้นจะต้องรู้จักอายความชั่วเมื่อรู้จักอายเขาก็จะไม่ทําบาปทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังคนอื่นถ้าอย่างนั้นคนที่ทําชั่วลับหลังคนอื่นแต่ต่อหน้าไม่ทํา ก็แปลว่าเขาเป็นคนดีครึ่งเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะชั่วซะยิ่งกว่าแบบแรกอีกเพราะเขาหลอกลวงทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นคนที่หลอกได้แม้กระทั่งตัวเองนั้นเลวไม่มีที่เปรียบเหมือนคนที่ต่อหน้าทําเป็นมิตรแต่ลับหลังรอบกัดใช่ไหมครับที่โบราณท่านว่าต่อหน้ามาพลับ รับหลังตะโกนั่นแหละคนประเภทนี้น่ากลัวมากเองต้องหลีกเลี่ยงไกลๆอย่าได้ไปคบหาสมาคมเป็นอันขาดโบราณท่านสอนไว้ว่าคบพานได้ผิดคบบัณฑิตได้ผลคบคนชั่วพาตัวให้อับจนคบคนดีให้ผลจนวันตายเองจำไว้นะไอ้หนู ยายรู้สึกว่าเพื่อนฝูงเองทิ่คบๆกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรขอให้เชื่อยายเถอะไม่ฉะนั้นเองจะต้องเดือดร้อนเพราะเพื่อนเริ่มต้นจากการคุยกันธรมธรมดาๆยายก็เปลี่ยนเป็นเทศนาล้านชายรู้สึกกำคาญจึงเปลี่ยนเรื่องด้วยการถามขึ้นว่ายายครับ คาถาพันคืออะไรครับทำไมเวลาที่พระท่านเทศมหาชาติจึงต้องนำด้วยคาถาพันก่อนยายไม่ตอบหากยกกระด้งเดินไปฝัดที่นอกชาญเพื่อละ อ, องข้าวจะได้ไม่ปลิวเข้ามาในบ้านสิ่งที่หลานชายถามยายต้องคิดทบทวนให้ดีก่อนตอบจะไม่ได้พลาดพลั้ง ให้ต้องอับอายขายหน้าฟัดข้าวเสร็จยายนําข้าวสารในกระด้งไปใส่ในโอ่งลายมังกรแล้วจึงตักข้าวสารในกระสอบใส่กระดงขณะใช้ทนานทำด้วยกะลามาพร้าตักข้าวยายขบคิดหาคาตอบไปด้วยได้ข้าวสารแล้วยายยกกระด้งออกไปฝัดที่นอกชานแล้วเดินเข้ามายัางที่หลานชายนั่ง เพื่อช่วยกันเก็บกากข้าวทิ้งมือยายทำงานขณะที่สมองทำหน้าที่คิดและยายก็ได้คำตอบที่เรียกว่าคาถาพันเพราะในเรื่องมหาเวสันดรชาดกแบ่งออกเป็นส3าตอน ยายเปิดฉากสนทนาอีกครั้งแต่ละตอนเรียกว่าหนึ่งกันและแต่ละกันก็มีจำนวนคาถาไม่เท่ากันเช่นกันทศพรมีสิเก้าคาถาหิมมะพานร้อยสามสิบสีธนกันสองร้อยเก้าวานประเวศห้าสิบเจ็ดชูชกเจ็ดสิบเก้าจุลพล สามสิบห้ามหาพลแปดสิบกุมารร้อยเอ็ดมัตสีเก้าสิบสักระบบสีสิบสามมหารา 69, ชหกสิบเก้าชกษัตริย์สามสิบหกและการสุดท้ายชื่อนครกันมีสี่สิบแปดคาถาเอ็งลองบวกดูสิได้หนึ่งพันหรือเปล่า เด็กชายละมือจากการเก็บกากข้าสารทำท่ากรุ่นคิดอยู่นานก่อนตอบว่ายายผมตกเลขยายเก่งจังที่จำได้หมดขนาดยายไม่ได้เรียนหนังสือนะนนี่ล้านชายชมอย่างจริงใจและช่วยเก็บกากข้าวต่อ ก็ยายฟังเทศมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นทวดของเองเขาก็พยายามเข้าวัดตั้งแต่ยังไม่หย่านมสมัยก่อนไม่มีนมกระป๋องขายลูกต้องกินนมแม่และทวดเองเขาก็ชอบไปฟังเทศที่วัดก็เลยกระเตงยายไปด้วยพูดแล้วจะหาว่าคุยมหาเวสสันดรชาดกทั้งสิบสากัน ยายจำได้หมดถ้าเป็นพระก็ขึ้นธรรมาทิเทศได้สบายยกเว้นแต่คาถาพันเท่านั้นที่ยายจำไม่ได้เพราะพระท่านเทศเป็นภาษาบาลีเลยฟังไม่เข้าใจนี่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายมีโอกาสเรียนหนังสือยายก็จะเรียนภาษาบาลีจะได้ฟังพระเทศคาถาพันรู้เรื่องแต่ ถ, ถึงจะไม่รู้ ยายก็ชอบฟังนะภาษาบาลีไพเราะเพราะปริ้งมากยายชอบยายพนานาด้วยความซาบซึ้งแต่น้อยคุ้มใหญ่กระตั้งถึงวัยชราชีวิตของยายผูกพันแนบแน่นอยู่กับพระพุทธศาสนาความรู้ที่ได้ก็จำมาจากที่พระเทศดังนั้นถึงจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หากยายก็รู้ซึ้งถึงเรื่องคุณงามความดีบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์และยายก็นำความรู้เหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสพระทันวาสามอย่างนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ก็ส่งสอนอย่างนี้งั้นผมก็โชคดีที่ได้มาอยู่กับยายอีกหน่อยถ้าผมบวชผมจะเรียนภาษาบาลีจะได้แปลคาถาพันให้ยายฟังยายว่าดีั้มดีสิหลานถ้าเป็นอย่างนั้นยายดีใจตายเลยว่าผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นดีกว่าทำไมล่ะก็ผมไม่อยากให้ยายตายน่ะสิครับ ยายตายแล้วผมจะอยู่กับใครกันละ่ะเรื่องนั้นเองไม่ต้องห่วงคนอย่างยายไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะยายไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนที่อายุสั้นเพราะเขาชอบฆ่าสัตว์ชอบทำลายล้างผลาญชีวิตคําพูดของยายทำให้เด็กผมแกละสำนึกถึงบาปกรรมเขาชอบหนียายไปยิงนกกับเพื่อนๆ เ, เ, เป็นประจำ ยิงมันให้ตกลงมาตายแล้วก็ไม่ได้เอาไปกินไปอยู่แต่ประการใดหากสิ่งที่ยายพูดมาเป็นความจริงก็แสดงว่าเขาจะต้องอายุสั้นเพราะก่อกรรมทำเข็นไว้มากมายนะักถ้าเช่นนั้นยายก็ไม่กลัวตายน่ะสิไม่กลัวแต่ก็ไม่อยากตายเพราะยังเสียดายสมบัติยายพูดง่ายแต่ฟังยาก เรื่องสมบัติยายไม่ต้องห่วงหรอกครับรับรองว่าผมจะเป็นคนดูแลให้ดีที่สุดไม่ต้องให้พวกป้าปาลุงๆต้องมาเป็นภาระยายสั่งพวกเขาไว้เลยนะครับว่าอย่าได้มายุ่งกับผมเด็กชายชิงพูดกันท่าเอาไว้ก่อน อย่าพูดอย่างนั้นสิหลานเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความโลภที่อยู่ในจิตใจของเองเรื่องสมบัติพัฒสถานเป็นของนอกกายตายไปก็เป็นของคนอื่นเอาติดตัวไปไม่ได้สิ่งที่มนุษย์จะเอาติดตัวไปได้ตอนตายคือบุญกับบาปเท่านั้นเองจำไว้นะไอ้หนูถ้าเช่นนั้นที่ยายว่าไม่อยากตายเพราะยังเสียดายสมบัติ ก็แปลว่ายายโลภเหมือนกันหลานชายแย้งยายพูดเล่นหรอกนะถ้าถึงคราวจะต้องตายจะอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องตายอยู่ดีและเมื่อเวลานั้นมาถึงยายก็จะไปชนิดไม่ห่วงอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือว่าทรัพย์สมบัติเอาเถอะ ถ้าเองอยากได้สมบัติของยายยายก็จะให้เพราะตั้งใจไว้แต่ต้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าพวกลูกๆของยายก็จะมาวุ่นวายกับเองเพราะว่ายายได้แบ่งให้พวกเขาไปครบทุกคนแล้วตอนออกเรือนที่ยังอยู่นี่ก็เป็นของเองทั้งหมดคำบอกเล่าของยายทาให้เด็กชายจเจริญปิติเสียนัก ขอบคุณมากครับยายพูดพร้อมกับประนมมือไหว้ยอย่างนอบน้อมที่ผมไม่อยากให้ป้าปาลุงๆเข้ามายุ่งก็เพราะจะเก็บไว้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ยายถ้าเป็นของคนอื่นยายก็จะไม่ได้บุญอะไรโดยเฉพาะป้าเหรียญ น, นั้นน่ะรับรองว่าแกต้องขายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินเพราะแกติดเหล้างอมแงม เขาหมายถึงลูกสาวคนโตของยายพูดถึงลูกคนนี้ยายรู้สึกหนักใจไม่รู้ว่ามันพาเหล่าพากกมาได้ยังไงตากับยายไม่เคยดื่มเหล้าแต่นั่งเรียนกลับเมาเช้าเมาเย็นเป็นอวชาตตะบุตรนางคนนี้ตายไปคงไม่แคล้วนลกนี่ยายไม่ได้แช่งลูกนะกรรมของมัน มันทำตัวมันเองใครๆก็ช่วยไม่ได้ยายพูดปลงๆนรกอยู่ที่ไหนครับยายหลานชายถามคนอายุแปดสิบชี้นิ้วลงไปทางใต้ถุนเรือนแล้วก็ตอบว่าพระท่านบอกอยู่ใต้ดินอย่างนั้นเหรอครับเด็กชายละมือจากการเก็บกากข้าวแล้ววิ่งผลุนพลันลงเรือนไปนั่นเองจะไปไหน ยายตะโกนตามหลังไปดูนรกครับเข้าหายไปอึดใจใหญ่จึงวิ่งขึ้นมาหน้าตาเนื้อตัวเปละเปื้อนดินขยับเข้ามานั่งใกล้ๆผู้เป็นยายแล้วว่ายายนารกไม่เห็นมีสักหน่อยผมขุดดินลงไปตั้งลึกไม่ยักเจอนรกพบแต่ไส้เดือนกับกิ้งกือพูดพร้อมกับแบมือให้ดู ยายเห็นไส้เดือนกับกิ้งกืออย่างละครึ่งตัวในอุ้งมือดำปีของหลานกิ้งกือนอนสงบนิ่งส่วนไส้เดือนดิ้นกระเดวกระดวแล้วยายก็เลยช่วยตีล้างบาปให้หลานอีกวาระหนึ่ง